เรียนธรรมะนะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่เบียดบางเวลาธรรมหากินเราสามารถทำกิจกรรมทุกอย่างนะในชีวิตเราตามปะกะติก็จเจริญสติไปธรรมะอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิดแนละ้วเพียงแต่เราไม่รู้จักวิธีเราไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนคนส่วนมากก็เที่ยวสแสวงหาธรรมะไปเที่ยวสแสวงหาออกไปภายนอก เพ้นต้องมาส่วนสันติธรรมมีธรรมะต้องไปหาครูบาอาจารย์องนั้นองนี้ไปหาธรรมะมาวัดมาฟังธรรมอะไรนี่มันแค่มาหาวิธีที่เราจะลืมตาขึ้นมาเราเห็นธรรมะซึ่งอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิดนั้นธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดนะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อหรอกธรรมะอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิดแนละ้วเพียงแต่คนในโลก ไม่รู้วิธีเริ่มตั้งแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรไม่รู้วิธีที่จะเข้าไปเห็นธรรมะทั้งๆ ท, ที่ธรรมะแสดงตัวตลอดเวลาจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าธรรมะก็แสดงอยู่ตลอดแล้วเพียงแต่เราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนไม่รู้วิธีที่จะเข้าไปรู้ธรรมะในโลกนะั้นมันมีธรรมะ อยู่สองส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมกับส่วนที่เป็นนม า, ามธรรมรูปธรรมเช่นร่างกายนมามธรรมก็คือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความรับรู้สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะทั้งหมดเลยงั้นเราไปไหนนะเราก็มีกายมีใจไปกายกับใจนั่นแหละคือตัวธรรมะกายกับใจก็เป็นที่ที่ธรรมะแสดงตัวด้วยถ้าเรามีสติมีปัญญานะรู้วิธี รู้วิธีที่จะรู้ธรรมะเราก็จะเห็นธรรมะอยู่ทั้งวันไม่เบียดบังเวลาทรราหากินไม่ไม่กวนเวลาอะไรทั้งสิ้นมันรู้ได้ตลอดเมื่อก่อนหลวงพ่อก็คิดเหมือนพวกเรานะว่าการปฏิบัติธรรมคือการทำอะไรบางอย่างซึ่งเหนือธรรมดาไม่ธรรมดาถ้าธรรมดาไม่ใช่ธรรมะเราต้องทาอะไรที่เหนือธรรมดาให้มันเป็นอาธรรมไว้ไม่ใช่ธรรมดา นั้นเวลาคิดถึงการปฏิบัติทีไรนะจะไปนั่งสมาธิตอนนี้นั่งหลับตานะเริ่มต้นะหายใจไปใจใจสงบวนะ่าถือว่าวันนี้ได้ปฏิบัติทมได้ปฏิบัติอะไรได้ปฏิบัติสมะถะกรรมฐานทำสมะำถะกรรมฐานจะเห็นธรรมะไหมไม่เห็นหรอกทำสมะำถะกรรมฐานแล้วได้อะไรได้ความสุขได้ความสงบได้คุณงามความดี ความสุขความสงบคุณงามความดีเอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรเอาไว้อยู่กับโลกยังมีความสุขใย่จิตใจเรามีความสงบเราอยู่ในโลกที่วุ่นวายนะเรามีความสุขเขาเดินขบวนกันเย่เย่ตีกันใจเราก็อยางสงบสุขเป็นผ้าปลอมเป็นคน ด, ดีเป็นคนดีเวลาราคะเกิดขึ้นมาเราก็พิจารณาอสุภะไปอย่างนี้น จิตสงบจิตเป็นคนดีไม่มีราคะเวลาโทสะเกิดเราพิจรารณาเจริญเมตตาเจริญเมตตาไปเรื่อยๆโทสะก็ดับไปเราก็เป็นคนดีมีเมตตาเวลาใจมันหลงฟุ้งซ่านไปเราก็มาอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจจิตไม่หลงฟุ้งซ่านจิตสงบไปเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็อยู่ในโลกอย่างมีความสุข ในเมื่อก่อนก็เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคือการทําสิ่งเหล่านี้แล้วก็คาดหวังนะว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานคิดอย่างนี้พวกเราส่วนใหญ่ก็คงแต่เดิมก็คง ค, งคิดอย่างนี้แหละแล้วหลวงพ่อนั่งสมาธิอยู่22ปีนั่งมาตลอดเลยตั้งแต่เจดขวบนะไม่เคยเลิกทําสมาธิทําทุกวันนะมีเวลาเท่าไหร่ก็ทํานิดๆหน่อยๆนะก็ทํา ยืนรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายรถเมย์ก็หายใจไปดูร่างกายพุโทโธพุโทโธไปบ้างหายใจไปบ้งไปนั่งรอสั่งข้าวไว้ข้าวยังไม่มาหายใจก็ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องมีใครมาสั่งให้เราทาเราอยากได้ธรรมะคิดว่าเรารู้ลมหายใจไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะได้เป็นพระโสดาบันกับเขาบ้างไม่รู้หรอว่ามันคนละเส้นทางกัน การทำความสงบนั้นเป็นไปเพื่อไปสู่ภพภูมิที่ดีเราไม่รู้จักคำว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการที่เราย้อนเข้ามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเฉะั้นทำความสงบอย่างเดียวไม่มีปัญญาไม่เห็นความจริงของกายของใจปัญญาคือการเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจจนมาปีส5นะอายุ2ีแล้ว เท่ากับปีที่พระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเราไม่ได้ออกบวชเราไปเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตตัวเองก่อนหน้านั้นเคยได้ยินนะให้พุโทโธพิจารณากายอะไรเนะี่ยมาลองทําดูแล้วใจมันไม่เอารู้สึก ง, ง่ายไป ม, มาดูกายนะเห็นผมนะปุ๊บผมหายไปเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะน่ะศีรษะทะลุนะเห็นหัวก็หลบขาวๆเลย ดูลงไปอีกหัวหายไปขาดดูต่อไปเห็นกระดูกรั้งตัวนะั้นดูต่อไปแตกเปรีย้ยสลายปเป็นแสงสว่างไปหมดไปรู้อวตารทั้งหลายนี่นะพอแยกออกไปถึงที่สุดแล้วเป็นความสว่างเทนะ่านั้นเป็นแสงเป็นคลื่นเป็นคลื่นๆเป็นแสงให้ไม่เห็นว่ามันจะได้อะไรนะใช้เวลาแป๊บเดียวนะแล้วไปต่อไม่ได้แล้วเหลือแต่จิตอันเดียวภาวนาทําไงว่า มันก็มาอยู่ที่จิตว่างๆนี่ว่างสว่างๆว่างๆไปต่อไม่เป็นความจริงเดินแนวนี้ก็ไปต่อได้นะถ้าใจมันชอบคือพอสลายร่างกายไปแล้วก็กลับมาดูจิตต่อนี่เราไม่รู้ว่าต้องมาดูจิตต่อแล้วเราจะดูอะไรเรามีแต่ส่งจิตไปดูเวลาดูกายนะเราก็ส่งจิตไปดูใชดูดูไปเรื่อยๆหรือเวลารู้ลมหายใจนะ เราไปดูลมหายใจในลักษณะของกระสินลมไปเห็นลมที่ไหวดูไปดูไปกระสินลมกลายเป็นแสงสว่างสว่างขึ้นมาไม่รู้จะทำอะไรไปต่อไม่เป็นขึ้นวิปั ส, สนาไม่เป็นได้แต่สมถะทำอยู่นั้นเสียเวลาอยู่22ปีไม่มีครูบาอาจารย์บอกให้ไปไม่เป็นมาเจอหลวงปู ด, ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตเอาไปได้ยินคําว่าดูจิต น, นะลืมคาว่าปฏิบัต เอ๊ะทำไต้องดูจิตจิตเป็นยังไงจิตอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปดูเนี่ใจมันสนใจใช่ไหมเรามาหัดดูไปจนเห็นนะจิตมันทํางานทั้งวันเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตามรู้ตามดูมันเรื่อยๆไปลืมคําว่าปฏิบัติลืมคําว่ามรรคผลนิพพานมันสนุกมันเพลิดเพลินอยู่กับการที่มีสติขึ้นมาแล้วก็เห็นจิตทํางานมีสติเห็นจิตทํางานไปเรื่อยไม่ได้เห็นแต่จิตเห็นกายด้วย โดยอัตโนมัติเพราะจิตนี่อาศัยอยู่ในกายเหมือนเราจะดูเจ้าของบ้านนะยังไงก็ต้องลืมตาขึ้นมาดูเจ้าของบ้า น, นก็เห็นบ้านด้วยคนมันอยู่ในบ้านจิตมันอยู่ในกายเมือมีสติรู้ลงที่จิตก็เห็นกายไปด้วยบางทีก็เห็นกายเคลื่อนไหวกายเด่นขึ้นมาบางทีจิตเคลื่อนไหวจิตเด่นขึ้นมาสติก็ระลึกอยู่ในกายอยู่ในจิตวนเวียนอยู่อย่างนี้ ภาวนาไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งเ ข, เข้าใจความจริงขึ้นมานะกายนี้จิตนี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะไม่มีเจ้าของค่อยเห็นไปเรื่อยๆ เ, เล้รู้เลยโอ้ธรรมะนะัอยู่กับตัวเรามาแต่เกิดนะธรรมะก็คือกายกับใจนี่แหละกายเรียกว่ารูปประธรรมคำว่ารูปประธรรมก็คือรู ป, ปรธรรมะนะธรรมะที่เป็นรูป ทางส่วนจิตใจส่วนความรู้สึกนึกคิดก็เป็นธรรมะชื่อว่านามธรรมนามธรรมก็เป็นธรรมะเวลาที่เราจเจริญสติน ะ, จะเจริญมิปั ส, สนาเนี่ยเราเรียนรู้รูปธรรมนามธรรมอาศัยรู้กายอาศัยรู้ใจรู้รูปธรรมนามธรรมไปเรื่อยๆถึงจุดที่จิตเขาพอเนี่ยจิตเขาจะวางรูปธรรมนามธรรมแล้วจะไปเห็นธรรมะอีกชนิดหนึ่งที่พ้นจากรูปธรรมนามธรรมไป ธรรมะในฝ่ายที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเรียกว่าสังขารธรรมธรรมะฝ่ายปลุงแตง่งเรียกสังคตะธรรมก็ได้ธรรมะที่ยังเป็นฝ่ายปลุงแตง่งอย่างร่างกายเราเนี่ยมีเหตุใช่ไหมาธาตุมาประชุมกันมีาธาตุไหลเข้ามีาธาตุไหลออกอยู่ตลอดเวลานะคุมกันมีกรรำคุมไว้ยังไม่ให้แตกสลายออกจากกันจิตใจก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดัดบบังคับไม่ได้ ในสิ่งทั้งหลายที่ยังมีความเกิดขึ้นก็ยังมีความดับไปอันนี้เรียกว่าสังขารธรรมหรือสังคตะธรรมธรรมะฝ่ายที่ยังปรุงแต่งอยู่อาศัยการรู้ธรรมะฝ่ายที่ปรุงแต่งจนจิตมันแจ้งในธรรมะฝ่ายที่ปรุงแต่งนั้นมันจะวางมันจะวางธรรมะฝ่ายที่ปรุงแตง่งแล้วมันจะไปเห็นธรรมะฝ่ายที่ไม่ปรุงแตง่งเรียกอสังคตะธรรมวิสังขารธรรมมั้งก็คือนิพพาน วิธีที่เราจะเห็นนิพพานได้นะก็อาศัยรูปกายรู้ใจให้มากๆนะเห็นความจริงของกายของใจเรื่อยไปเขาแสดงไตรลักษ์อยู่ตลอดเวลาเห็นไหมกายนี้ใจนี้แสดงไตรลักษ์ตลอดเวลามันเทศให้เราฟังทั้งวันนะแต่เราไม่สนใจทั้งหากนะใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายตลอดเวลาดูออกไหมหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเห็นไหมเขาสอนเราอยู่ตลอดเวลาว่าจิตนี้ไม่เที่ยงนะ ร่างกายก็สอนเราตลอดเวลานะนั่งอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกกินข้าวก็ทุกนะอดข้าวก็ทุกหายใจออกก็ทุกหายใจเข้าก็ทุก์ก็สอนให้เราเห็นแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราไม่สนใจที่จะเรียนเราไม่สนใจที่จะเรียนรู้ตัวเองนะไม่สนใจในกายในใจของตัวเองเราสนใจในกายในใจของคนอื่น สนใจแต่คนอื่นสนใจแต่สิ่งอื่นดูไปเรื่อยๆมีตัวเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมันก็มีทุกอย่างที่แวดล้อมอยู่นี้ไม่ยอมเรียนรู้ตัวเองหรือพยายามไปหาธรรมะที่อื่นที่พ้นจากกายจากใจของตัวเองถ้าไปเที่ยวสแสวงหาธรรมะที่อื่นที่พ้นจากกายจากใจก็ไม่เจอหรอกให้ค้นลงในกายในใจแล้วเราครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะจร์มหาบัวสอนมาดีมากเลย ประทับใจมากเลยท่านบอกการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกนะให้มีสติรู้ลงที่กายที่ใจอย่างเป็นปัจจุบันท่านสอนอย่างนี้โค้คำสอนของท่านนะัครอบคลุมการปฏิบัติไว้ทั้งหมดเลยเวลาเรารู้ลงที่กายที่ใจถ้าจิตฟุง้งซ่านเราก็รู้แบบให้จิตลงไปแนบที่กายที่ใจเพ่งกายเพ่งใจเป็นสมถะเพ่งกายก็เรียกว่ารูปปัจจานะเพ่งใจเรียกว่าอารูปปัจจานเพ่งรูปเพ่งอรูปเป็นสมถะ ถ้าเรามีเรี่ยวมีแรงแล้วเราดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานเห็นแต่ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาเร mm. ื่องการภาวนานะให้วนเวียนอยู่ในกายในใจนี่แหละเมื่อวานก็มีคนหนึ่งมาบอกชอบเล่นกระสินไฟเราดูดูแล้วคนนี้ดูจิตไม่ได้ออกคนนี้เป็นชอบเล่นกระสินกะสินไฟของเขาเขาดูไฟออกข้างนอกแล้วเปลี่ยนใหม่เอาไฟเข้ามาเผาตัวเองแทน คิดว่าตัวเองนี่เป็นเชื้อเพลิงเลยเผาใช้กสาินเผาร่างกายเนี่ยเผาไปเลยให้มันติดไฟขึ้นมาเอาให้ไหมไปให้หมดเลยพอไฟไหม้หมดแล้วนะจะเหลือตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็มารู้ตัวรู้ต่ออีกนะก็เดินได้เหมือนกันเนะี่ยถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัตินะมันจะไม่ปฏิเสธเส้นทางเดิมซึ่งแตกต่างกันคนที่เข้าใจหลักการปฏิบัติแล้วไม่ปฏิเสธ คนอื่นเขาก็เดินได้ด้วยเส้นทางของเขาแต่ละคนเดินไม่เหมือนกันคนที่ขึ้นภูเขานะถ้าขึ้นถึงยอดเขาแล้วจะรู้เลยว่าเส้นทางขึ้นภูเขามีเยอะแยะเลยไม่ใช่มีทางเดียวที่เราเดินถ้ายังบอกว่ามีแต่ทางของฉันเนี่ยเข้าใจผิดแล้วแสดงว่ายังขึ้นไม่ถึงยอดเขาจริงหรอกอาจจะยังลงเหวไปอีกคิดว่าเนี่ยทางหลุดพ้นอยู่ในเหวเนี่ยมุดลงไปในเหวเอีกแต่ถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัตินะ มีสติวนเวียนอยู่ในกายในใจเนี่ยอย่าทิ้งมันกายก็สอนธรรมะเราคือสอนไตรลักษณ์จิตก็สอนธรรมะคือสอนไตรลักษณ์สอนไป เ, เรื่อยพอเห็นมากๆากนะใจมันเบื่อพอ ร, รู้ตามความเป็นจริงแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตจะเบื่อไหนก็จิตเบื่อไหนจิตจะคลายความยึดถืออย่างแต่เดิมสมัยหลวงพ่อมีพัดก็เขาอยู่หนึ่งงานเนี่ยชอบชอบ ใครทำมาก็ไม่รู้มีชื่อด้วยสนองอัตตาดีมีชื่อหลวงพอมาพัดเองหลวงพ่อ ก, กูดีไม่กูเก่งมีชื่อเลยลูกศิธิ์เอาไปพัดนะเรามีอาจารย์ดังยิ่งพัดกิเลสยิ่งง <c oughs> อกเพรหลวงพ่อมีพัดวิเศษอย่าง น, นึหงห่วงบวงนะวันหนึ่งเกิดสติเกิดปัญญาหันมาดูวยเชลาทั้งอันเลยไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษ เราจะทำยังไงเราจะโอเข้ามาไหม <c oughs> เราจะรีบโยนทิ้งใช่เราจะรีบโยนทิ้งถ้าเมื่อไรเราเห็นความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเลยจิตจะโยนมันริ้งโยนทิ้งเองนะไม่ต้องหาทางโ ย, โยนทิ้งของมันเองนะมันไม่ใช่ของดีนี่เหมือนเราเดินเดินไปนะทำแหวนเพชรตกที่พื้นก้มลงไปยิบขึ้นมาลายเป็นจบเอากิ้งกือขึ้นมา จะเอามาสวมนิ้วไม่มาพันคงรีบโยนทิ้งคือเมื่อไรสติปัญญาแก่รอบนะเห็นกายเห็นใจนี่เป็นทุกข์เป็นโทษมีแต่อันิจจังทุกขังอนัตตาแสดงตัวอยู่ในกายในใจนี้มันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจทำไมต้องมาเน้นที่กายที่ใจตัวเองเราภาวนานะเพื่อลดละอัตตาตัวตนอัตตาตัวตนมันครอบงาอยู่ก็เลยก่อเรื่อง สร้างความทุกข์ให้ตัวเองสร้างความทุกข์ให้คนอื่นไปด้วยสนองอัตตาตัวตนทั้งนั้นอย่างเราจะด่าใครสักคนนีก็สนองอัตตาเราเองเราจะชมใครสักคนนะส่วนใหญ่เลยสนองอัตตาตัวเองแกล้งชมจะกินข้าวจะทำอะไรนะมันสนองอัตตาทั้งนั้นเลยจะใส่เสื้อผ้าต้องยี่ห้อนี้นั่งรถต้องแพงๆถ้านั่งรถกระป๋องมานะอายเขาใครเ็าเห็นแล้วอายเขานีนี่นั่งรถด้วยหน้าไม่ได้นั่งโดยก้น นั่นด้วยอัตตานี่ความที่ไปยึดถือว่ามันมีตัวเราขึ้นมามีของเราขึ้นมานะําความทุกข์มาให้เยอะเลยเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์นะท่านฉลาดปราดเปรืองเป็นนักปราดเอกของโลกท่านหนึ่งคือท่านพุทธทาสท่านตีเป้าเลยนะท่านสอนเรื่องตัวกูของกูก่อนหน้านั้นไม่มีใครค่อยพูดหรอกเรื่องตัวกูของกูท่านสอนเข้าเป้าเลยวนะ่า มันมีตัวกูของกูขึ้นมานะมันก็มีทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่มีตัวกูของกูละตรงนี้ใช่ความทุกข์ไปตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ตัวกูของกูนี่เราเรียนนะเรารู้ลงในกายในใจเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้คือตัวกูละคนทั่วๆไปก็รู้สึกว่านี่กูอยู่นี่ทั้งกายทั้งใจ มาภาวนาไปช่วงหนึ่งนะจะเห็นว่าจิตนี่แหละคือตัวกูแต่ร่างกายเนี่ยร่างกายของกูนี่ลดระดับนะแต่เด e ิมคิดว่าร่างกายเป็นตัวกูจิตก็เป็นตัวกูมีกูอยู่คนเดียวกายกับจิตรวมเปน็นอันเดียวกันรู้สึกว่าเป็นก้อนเดียวกันมาหัดภาวนาไปช่วงหนึ่งเห็นว่าจิตเป็นตัวกูนะแต่กายไม่ใช่ตัวกูวกายเป็นแค่ของกูลดระดับไปภาวนาไปอีกนะจนวันหนึ่งเห็นว่ากระทั่งจิตก็ไม่ใช่ตัวกูนะ จิตก็ไม่ใช่ของกูเมื้อทิ้งวางรู้ความจริงแล้ววางเพราะเราภ า, าวนาเราอย่าให้เกินกายเกินใจออกไปเพราะไม่มีใครเห็นสิ่งที่เกินกายเกินใจว่าเป็นตัวกูสิ่งที่เป็นตัวกูมันก็อยู่ที่กายที่ใจนี้เท่านั้นแหละอย่างบางคนเดินจงกรมนะแล้วไปดูพื้นพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งจะไปดูให้เห็นว่าพื้นไม่ใช่ตัวกูของกูไปดูทําไมใครเขาเห็นว่าพื้นเป็นตัวกูบ้าง พวกเรานั่งอยู่บนเสือมีใครรู้สึกว่าเสือเป็นตัวกูไหมถ้ามีให้ไปปรึกษาจิตแพทย์โดยด่วนเลยนะบาละนะสิ่งที่เรารู้สึกเป็นตัวเราก็คือกายกับใจนี่เองเพราะั้นเรา ม, มีสติรู้ลงที่กายที่ใจเนี่ยรู้จนเห็นความจริงนะมันมีแต่ของเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดไม่มีของถาวร น, นะรู้อย่างนี้เมื่อไม่มีตัวกูของกูขึ้นมาให้ใจมันรู้จริงๆนะใจมันจะหมดความทิ้นรนเลย จิตใจที่มันดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้เพราะว่ามันเห็นว่ามีตัวกูของกูถ้ามันรู้ความจริงว่าไม่มีตัวกูของกูมันก็ไม่ดิ้นไม่ดิ้นหาสวรรค์วิมานอะไรอีกให้มีความทุกข์ขึ้นมาเพราะใจดิ้นทีไรใจมีทุกทุกทีพวกเรารู้สึกไหมเวลาใจมันดิ้นทีไรนั้นะความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีจิตที่ดิ้นนี่คืออะไรจิตที่ดิ้นคือพบคาว่าพบนะพอสําเพอพอผ่านพบคาเต็มๆของคําว่าพบคือคําคคว่ากรรมมาพบ กรรมมาพบกรรมมพก็คือการทํางานของจิตจิตเป็นดิ้นนั่นเองดิ้นรนสแสวงหาอารมณ์ดิ้นรนผลักอารมณ์บางอย่างออกไปดิ้นรนที่จะไม่ให้มีตัวกูของกูนี่ก็ดิ้นเหมือนกันนะจิตมีความดิ้นรนขึ้นเมื่อไหร่มีพบขึ้นเมื่อไหร่จิตถ้มีทุกข์ขึ้นมานั้นพบไม่ว่าจะละเอียดประณีตแค่ไหนก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยยั้นให้เราเรียนรู้ลงมาที่กายที่ใจนะวันหนึ่งเห็นความจริงของกายของใจแล้ว ไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษแรงดิ้นคือตัณหาจะไม่มีไม่รู้จะดิ้นทำไมมันไม่ใช่ของดีของวิเศษทุกวันนี้ที่เราดิ้นรนทุกวันนี้เราดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์นึกออกไหมทุกคนดิ้นอะไรอยู่ทุกวันนี้ดิ้นกันคนละแบบสองแบบนะล้วนแต่ดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์อย่างพวกเด็กวัยรุ่นมันไปดิ้นดูความเสร์แล้วมันดิ้นมันคิดว่ามีความสุข ผู้ใหญ่นั้นก็ดิ้นรนอยากได้เงินเยอะๆอยากได้อำนาจแย่งเก้าอี้กันแย่งเลยดิ้นไปเนะี่ยเพราะอะไรเพราะอยากมีความสุขหรือคนไหนมีความทุกข์อยู่ก็ดิ้นหนีความทุกข์ไปด้วยจิตมันดิ้นจิตการดิ้นนั่นแหละนำความทุกข์มาให้มีพบแล้วก็มีทุกข์ขึ้นมาทุกทีมีตัณหาคือมีความอยากก็มีฝันดิ้นรนตัณหาเป็นแรงดิ้นทำให้จิตดิ้น ปัญหาเกิดขึ้นได้แรงดิ้นเกิดขึ้นได้เพราะมีอวิชชาไม่รู้ความจริงของกายของใจนี้ไปเห็นว่ากายนี้ใจนี้คือตัวกูของกูงั้นอยากให้ตัวกูของกูมีความสุขอยากให้ตัวกูของกูพ้นทุกข์ก็เลยเกิดความดิ้นใช่ไมมีความอยากขึ้นมาก่อนถ้าเราไม่เห็นว่าร่างกายเป็นของเราเราจะดิ้นทำไมในการที่จะหาความสุขมาปนเปลอในการที่จะต้องกลุ้มอกกรุ้มใจเวลาร่างกายนี้ แก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นของเราเหรอกเราถึงได้ทุกข์กับมันถ้าไม่เป็นของเรามันก็ไม่ทุกข์กับมันหรอกยกตัวอย่างนะถ้าไฟไหม้ไกล้ๆบ้านรู้สึกไหมตกใจมากไฟไหม้อยู่ไกลๆแค่สนใจว่าไหม้ที่ไหนที่อยากไปดูสนุกคนอื่นชิบหายเราสนุกนชอบเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ตัวกูของกูนะแต่ถ้าไฟไหม้ใกล้ๆบ้านมานะกูอของกูอย่าชิบหายแนละ้ว อันนี้เดือดร้อนแหะนี่ถ้าเราเห็นความจริงนะแต่ทา้งกายนี้ใ่นี้ไม่ใช่ตัวปูของกูนะมันจะแก่แล้วใครจะเดือดร้อนนะมันจะเจ็บแล้วใครจะเดือดร้อนมันจะตายใครจะเดือดร้อนมันจะพลัดพรากจากคนที่มันรักที่มันคุ้นเคยใครจะเดือดร้อนมันต้องเจอสิ่งซึ่งไม่ชอบใจใครจะเดือดร้อนความทุกข์มีอยู่นะในโลกความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีคนเดือดร้อนด้วยไม่มีผู้เป็นทุกข์ เหมือนพวกเราหัดนะวันหนึ่งถอด ถ, ถอนความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวกูของกูภาวนาต่อไปอีกวันหนึ่งหมดความยึดถือในใกายในใจนถ้าภาวนาจนหมดความยึดถือได้ก็พ้นโลกแล้พ้นจากรูปจากนามจากกายจากใจพ้นจากธรรมะฝ่ายปรุงแต่งก็ไปอยู่กับธรรมะฝ่ายที่ไม่ปรุงแตง่งคือนิพพานนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งสิ่งใดที่ยังเป็นโลกอยู่ยังเป็นทุกข์อยู่ นะมีความแปรปรวนอยู่นิพพานไม่มีเหตุให้เกิดนิพพานไม่มีเหตุให้เกิดนะนิพพานเป็นธรรมะซึ่งครองโลกอยู่มาแต่ไหนแต่ไรมีมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะคือความสิ้นตัณหานะเกิดขึ้นเมื่อไรก็จะเห็นนิพพานเมื่อนั้นนีใจเรามันมีตัณหาไม่เริมอยากไม่เริ่มไม่สามารถเห็นนิพพานได้ก็เห็นแต่ของปลุกแตง ใจที่ปรุงแต่งก็เห็นของปรุงแต่งใจที่พ้นความปรุงแต่งก็เห็นของที่ไม่ปรุงแต่งนั่นเราค่อยฝึกนะจนจิตใ จ, ใจฉลาดหมดความยึดถือในกายในใจหมดความดิ้นรนปรุงแต่งไม่สร้างพบสร้างชาติเราก็จะเห็นนิพพานต่อหน้าต่อตาประจักษ์นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานิพพานไม่เคยหายไปไหนเลยแล้วเราหัดภาวนาไปเรื่อยๆนะเมื่อประมาณปี2527มีพระองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อกิมนะ มีอุบาสกคนหนึ่งไปหาหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมก็ชี้ให้อุบาสกนี้ดูชี้ไปที่ลูกกลองระเบียงของท่านถามว่าเห็นสุญญตาในลูกกลองนี้ไหมอุบาสกบอกว่าเห็นเห็นสุญญตาในพื้นที่นั่งอยู่นี้ไหมเขาบอกว่าเห็นเห็นสุญญตาในอากาศนี้ไหมเขาบอกว่าเห็นเห็นแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจทรงอยู่ไม่ได้ เห็นไหมเห็นแต่ทรงอยู่ไม่ได้จริงงั้นนิพพานจริงๆมีอยู่ตลอดนะพวกเราก็เดินชนนิพพานอยู่แต่พวกเราไม่ถึงขั้นที่จะเห็นนิพพานงั้นเราอย่าไปพูดเรื่องจะเข้าใจนิพพานเลยเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งสอนหลวงพ่อหรือหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตสุวัโจเคยสอนหลวงพ่อท่านบอกว่าพระสกทาคาพระอนาคาคาพระอรหันเนี่ยนะเห็นนั่นเดียวกันแหละ เห็นธรร ม, มะอันเดียวกันคือเห็นนิพพานอันเดียวกันแต่ความรู้ความเข้าใจหรอกไม่เท่ากันเพราะจริงๆนะธรร ม, มะอันนี้มีอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนหรอกแต่ใจของเราที่หลงไปในความปรุงแต่งอะถ้าจิตของพุถุชนเนี่ยหลงความปรุงแต่งร้อยเนต์ยไม่เคยพ้นจากความปรุงแต่งเลยเพียงแต่ปรุงหยาบหรือปรุงละเอียดเท่านั้นเอง ปรุงหยาบ ก, ก็ปรุงชั่วๆขึ้นมาปรุงละเอียดขึ้นมาก็ปรุงความสงบความว่างความนิ่งความเฉยอะไรขึ้นมาจิตอย่างนี้ไม่เห็นนิพพานหรอกแต่ว่าถ้าได้โสดาสัคตะคาพระอนาคาอะไรเนี่ยเคยเห็นนิพพานมาแล้วในขณะที่เกิดมากเกิดผลเวลาที่มนานัสิการนึกถึงนิพพานนะก็สามารถเห็นนิพพานได้ย้อนกลับไปเห็นนิพพานได้แต่ไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรเพราะทรงอยู่ไม่ได้ ทรงอยู่กับนิพพานไม่ได้ก็กลับแป๊บเดียวนะกลับมาอยู่กับทุกข์อยู่กับขันต่อไปอีกต่อมาภาวนาจนถึงขีดสุดนะหมดความยึดถือในกายในใจอย่างแท้จริงมนน่าทีการถึงนิพพานนิพพานปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยทําไมไม่อยู่กับนิพพานตลอดเวลาบางครั้งก็ต้องมาอยู่กับโลกมาอยู่กับสมมุติเวลาไม่มีธุระจะอยู่กับสมมุติก็อยู่กับบีมุติ ก็มีแต่ความสุขล้วนๆเวลายอยู่กับสมมุตนะิออกมาอยู่กับสมมุติอยู่กับโลกมาทำประโยชน์กับโลกไม่ใช่ประโยชน์กับตัวเองธาตุขันก็เป็นคนทำงานไปแต่ใจนะ้มันไม่กระเพื่อมใจมันไม่ไหวใจมันไม่ปลุ่นะใจมันไม่บีบขันแต่ธาตุขันนั้นถูกบีบขันเหนื่อยอย่างพระพุทธเจ้านะท่านสอนมากๆท่านก็เหนื่อยถึงวันหนึ่งท่านก็พักมีเวลาพักนะพระพุทธเจ้า ถึงปีอะไรเงี้ยท่านก็ไปพักทีหนึ่งหลายๆวันบางคราวท่านสอนมากเลยพระเยอะสอนสอนสอนไปท่านเหนื่อยเต็มทีนะท่านก็ไปพักสั่งเจ็ดวันนี้ไม่รับแขกเจวันนี้พระอนุนนะเอาอาหารไปส่งได้คนเดียวคนอื่นไม่ให้ไปพอดีพอท่านไปพักพอสมควรแล้วกลับออกมาเนี่ยพระที่ภาวนาผิดผิดฆ่าตัวตายไปตั้งเยอะเลยก็มีนะนี่ธาตุขันธาตุขันมันก็ทนไม่ไหว แต่ว่าใจซึ่งมันทรงธรรมอยู่แล้วนะมันไม่เสื่อมใจที่มันทรงธรรมแล้วไม่เสื่อมมีแต่ความสุขนะมีความสุขล้วนๆเลกลางวันก็มีความสุขกลางคืนก็มีความสุขเพราะใจไม่ดิบไม่บีบคั้นใจไม่ดิ้นรนใจสงบใจมีสันติสุขสันตินั่นแหะแปลว่านิพานนิพานมีสันติลักษณะนิพานมีลักษณะของสันติมีสันติแล้วมีความสุขไม่ใช่สันติแห้งแล้ง สันติภาพที่เรียกร้องกันในโลกเป็นสันติแห้งแรงไม่ใช่สันติจริงเพการภาวนาโดยสรุปนะสรุปสหน่อยเดี๋ยวฟังมากงงการภาวนาเนี่ยคือการเรียนรู้ธรรมะซึ่งแสดงตัวอยู่ในกายในใจของเราตลอดเวลาอยู่แล้วให้เรียนรู้ธรรมะฝ่ายปรุงแต่งไปจนแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะฝ่ายปรุงแต่งว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษ เมื่อเห็นอย่างนี้เมื่อรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้จิตจะเบื่อหน่ายจิตจะคลายกำหนัดแล้วจิตก็สลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปการสลัดคืนกายคืนใจให้โลกมีศัพท์เรียกว่าปฏินิสสัคะมีชื่อเพราะๆปฏิตนิสสัคะสลัดคืนไปจิตก็พ้นจากกายจากใจจิตที่พ้นจากความยึดถือในกายในใจเรียกว่าวิมุตต์พ้นจากขันวิมุต จิตไม่มีความอะไรอ า, าวรณ์ในขันเรียกว่าอนาลายะอนนาลายะอนนาลโยเนี่ยอนาลโยวนะ่ า, าผู้ไม่มีอะไรอ า, าวรณ์แนละื้อคำเหล่านี้นะเป็นคําที่มีความหมายเดียวกันมีวิราคะสิ่งเหล่านี้เป็นชื่อของนิพพานทั้งนั้นเลยนิพพานมีชื่อเยอะแยะเลยแล้วแต่งแง่มุมที่จะมองวิราคะก็คือสิ้นตัณหานิพพานเป็นความสิ้นตัณหานิพพานเป็นวิสังขารคือสิ้นความปรุงแต่ง นิพพานเป็นอสังคตะเป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่งนิพพานเป็นอนารยะเป็นธรรมะที่ไม่มีความผูกพันนิพพานมีปฏินิสสคะสลัดสิ่งผูกพันเครื่องข้องทั้งหลายถูกสลัดทิ้งไปหมดนิพพานเป็นวิมุตต์หลุดพ้นจากความยึดถือในใกายในใจนิพพานเป็นนิพพานคือมีสันติมีความสุขนะพวกเรามีบุญมาสนามาก ธรรมะยังดำรงอยู่วิธีปฏิบัติเพื่อให้เห็นธรรมะก็ยังดำรงอยู่ใครปฏิบัติได้น้อยก็ได้รับความสุขนิดๆหน่อยๆใครปฏิบัติได้เยอะจะเข้าถึงบรมสุขเน่ยพวกเราที่เราเรียนธรรมะนะฝึกมาสักเดือนหนึ่งอะไเนี้ยจิตเริ่มตื่นเราเริ่มสัมผัสความสุขของธรรมะบ้างแล้วเรียนกับหลวงพ่อไม่ใช้เวลานานนะถ้าจะเอาแค่ว่าจะมีสติอยู่กับโลกหรือเอาธรรมะต้นๆอะไรเนี้ยใช้เวลาไม่มากนะัก ใครมีสติรู้กายมีสติรู้ใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจตัวเองในขณะเดียวกันอย่าเอาแต่เพ่งให้จิตนิ่งเวลาที่เราจเจริญสติรู้กายรู้ใจเร่อยๆไปบางทีจิตเหนื่อยจิตอ่อนล้าอันนี้เรากลับมาทำสมถะพวกเราอย่าจำไว้ว่าหลวงพ่อสอนว่าไม่ให้ทำสมถะนะหลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้นพวกเราเพี้ยนไปเองหลวงพ่อสอนว่าทำสมถะนั้นทาให้เป็นสัมมาสมาธิให้มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา ไม่ใช่ทําเอาเคลิมทําเอาโมหะสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําสมาธานั้นทําแค่โมหะสมาธิสมาธิที่ประกอบด้วยโมหะมืดมืดมัวมัวโง่โงใช้ไม่ได้ต้องทําสมาธิที่ประกอบด้วยความรู้สึกตัวจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอย่าหยุดอยู่แค่นั้นจะมารู้ตื่นเบิกบานอยู่เฉยๆยเท่านั้นไม่พอ ให้มีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจดูความเป็นไตลรลักษณ์ของกายของใจเรื่อยไปตรงที่เราดูความเป็นไตลรลักษณ์ของกายของใจด้วยจิตที่ตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่เองเราจะเห็นความจริงอย่างรวดเร็วเลยว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ ใ, นใจนี้มีแต่ตัวทุกจะเห็นได้รวดเร็วเลยอย่างเรียนกับหลวงพ่อสักเดือนหนึ่งนะเริ่มเห็นแล้วร่างกายไม่ใช่เราเริ่มเห็นไม่ยากอะไรเลย แต่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราต้องพาวนากันช่วงหนึ่งแหละเพราะว่าจิตเป็นของดูยากดงั้นเรียนรู้จิตได้เรียนรู้จิตไปเรียนรู้จิตไม่ได้มารู้กายไว้รู้จิตก็ไม่ได้รู้กายก็ไม่ได้ก็ทําสมถะทําความสงบไว้ก่อนเป็นเครื่องอาศัยไว้ก่อนพอจิตมีกําลังแล้วก็กลับมาดูจิตได้เช่นทําสมถะแล้วจิตมีความสงบรู้ว่าสงบจิตปีติรู้ว่ามีปีติ จิตมีความสุขหรือว่าสงบหรือว่ามีความสุขจิตมีอุเบกขาหรือว่ามีอุเบกขาเร่วงงไปด้วยจะเห็นสภาวะทางจิตนเกิดดับเปลี่ยนแปลงพอออกมาอยู่กับโลกภายนอกเนี่ยเราจะเห็นจิตนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะพอเราฝึกเอานะดูจิตได้ก็ดูไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำความสงบไหมทำความสงบลึกซึ้งไม่เป็น พุโทโธไปเฉยๆก็ยังดีพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปนะแล้วจิตมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขพุโทโธพุธโทโธจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่นานก็กลับมาดูจิตได้อีกคําว่าพุโทโธก็คือคำว่าจิตนั่นเองนะอ่ะวันนี้พอไปทานข้าวกันนิ่หมด น, นะครับ